ส่วนมัชชิมะนิกายมีสามเล่มเช่นกันคือเล่ม1ิบสองมีห้าสิบสูตรเล่มสิบสามีห้าสิบสูตรเล่มสิบสี่มีห้าสิบสองสูตรรวมสามเล่มมีหนึ่งร้ยห้าสิบสองสูตรเมื่อเทียบดูความต่างกันจากจำนวนสูตรแล้วก็จะเห็นได้ว่าทีฆานิกายมีสูตรยาวกว่าสูตรในมัชิมนิกายประมาณห้าเท่ามีข้อที่ควรสังเกต